สิขาบทที่6ว่าด้วยการนั่งนอนบนอาสนะโดยไมย่บอกเจ้าของเรื่องภิกษุณีทุลนันธา859สมัยนั้นพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีทุลนันธาเข้าไปสู่ตระกูลทั้งหลายภายหลังชั้นพัฒหารนั่งบ้างนอนบ้าง บนอาสนะโดยไม่บอกเจ้าของบ้านคนในบ้านเกรงใจพิชชณีทุลนันธาจึงไม่กล้านั่งหรือนอนบนอาสนะคนทั้งหลายพากันตนําหนีประนามโควนทนาว่าชนัยพิชชณีทุลนันธาจึงเข้าไปสู่ตระกูลภายหลังชั้นพุทธารนั่งบ้างนอนบ้างบนอาสนะโดยไม่บอกเจ้าของบ้านเล่าภิษชณีทั้งหลายได้ยินคนพวกนั้นตนําหนีประนามโควนทนาบรรดาภิชชณีผู้มักน้อย พรกันตมินร์ประนามโปลธนาว่าชนัยภิกษุณีทุลนันทาจึงเขา้าไปสูต่ตะกวนภายหลังฉั้นปัตตาน์นั่งบ้างนอนบ้านบนอาสนะโดยไม่บอกเจ้าของบ้านเล่าครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นําเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบพ่อภิกษุจึงได้นําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ